คว่าท่านไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจตันหาทิฏกิเลสมานะทุจิริกรรมไม่ว่าจะในอบายะโลกอานะบายะโลกมนุสโลกเทวโลกหรือว่าขันธาตุอายตนะโลกเพราะฉะนั้นความหวั่นไหวในโลกไหนๆไม่ได้มีแก่พระหันต่ขีนาศกใดเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้สงบแล้วคือเพราะเป็นผู้มีราคะสงบนนะโทสะสงบโมหะสงบท่านสงบราคะโทสสะโมหะได้แล้ว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 ความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุสลาภิสังขารทั้งปวงท่านสงบหมดแล้วสงบบาปสงบอกุศลสงบสมุทัยสัตว์สงบกิเลสตัณหาได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือวิทูโมเนี่ยนะคําได้ว่าเป็นเหมือนควันเนี่ยคำว่าเหมือนควันก็คือทุจริต3าเนี่ยกายทูตเจริตวจีทุจริญมโนทุจริตอันผ้ารหันเนี่ยกำจัดแล้ว ขจัดแล้วทําให้เหือดแห้งแล้วทําให้สิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นแคกว่าดับกิเลสเพียงดังควันเนี่ยนะราคาโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ตีเสมอริสยาตนาฏความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความเมาความประมาทกิเลสทูจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุสลาภิสังขารเนี่ยอันพาดหันตะขีนาศกําจัดแล้วทําให้เหือดแห้งแล้วทําให้สิ้นสุดแล้ว คําว่าเที่ยวเหมือนดังควันเนี่ยนะก็คือบาบากุศลที่เหมือนดังควันเนี่ยความโกรธท่านกล่าวว่าเป็นดังควันนะตัวความโกรธเนี่ยมันเหมือนควันจริงๆเหมือนคาถาที่ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมีมานะเป็นเหมือนเครื่องหับมีความโกรธเปรียบเหมือนควันมีการพูดเท็จเปรียบเหมือนขี้เถ้ามีลิ้นเปรียบเหมือนทัพพีหารุไทยของท่านฮารุไทยของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนสถานที่บูชายัญของท่าน ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นกําเนิดของบุรุษเนี่ยนะเป็นที่เกิดของบุรุษก็คือผู้ที่ฝึกจิตเรียบร้อยแล้วคําว่าความโกรธที่ที่เหมือนนางควันเนี่ยนะพระหัส น, นี่ท่านไม่มีความโกรธเหมือนนางควันเนี่ยคําว่าความโกรธก็เกิดโ ก, โกรธโดยโอาการสิบอย่างก็คือโกรธ ด, ด้วยผูกใจว่าคนโน้นได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยช น, แย น, น์แก่เราคนโน้นกําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราโน้นจากประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แกเราอันนี้เกี่รวก็เรื่องส่วนตัวนะ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 โทสะนี่มันทําให้เพาะวาจาชั่วโกรธขึ้นมาแล้วเรียกเขาเพาะเพาะไหมเรียกคนที่เราโกรธนะอาจจะตอนหน้าอาจจะใช่ใช่ไหมแต่รับหลังไอ้เอาละอันนี้มเรียว่าที่เพาะวาจาชั่วนะคำเร็วๆทั้งหลายก็หลุดมาจากแถวนั้นแนหะหรือความไม่พอใจของจิตเนี่ยนะใจไม่พอใจเรียกว่าโกรธความโกรธนี้ก็แบ่งเป็นความโกรธมากโกรธน้อยว่าความโกรธ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 บางครั้งเลียวดูทิศต่างๆแต่ก็ยังไม่ถึงกับจับท่อนไม้และสาสตราที่เลี้ยวดูทิศก็คือเลี้ยวดูอาวุธนะนี่มีเครื่องไม้เครื่องมื อ, อตรงไหนบ้างเนี่ยบางครั้งก็ถึงกับจับท่อนไม้สาตราแต่ก็ไม่ถึงกับเงือ้อท่อนไม้เงื้อสาสตราจับเฉยๆแต่ยังไม่ได้นึกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินไปบินทบตทก็ก็เห็นเขาคุยกันชมงชงเฉงแล้วอีกพักหนึ่งนะอันขวาจอบขวานุน่นขวาเนี่จะซัดกันนะนี่คนหนึ่งก็หนีไป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 ละแล้วตัดขาดแล้วสงบระงรับแล้วทําให้ไม่เกิดขึ้นอีกเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยานพระอรหันตขีนาศเรียกว่าผู้กําจัดกิเลสเพียงดังขวัญนะกำจัดกิเลสนะความชั่วทางกายวาจาใจหรือสมุทยัยสัตว์ทั้งหมดความโกรธ ด, ดังที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยพระอรหันต์ท่านกำจัดได้หมดแล้วพระอรหันตคีนาศจึงเชื่อว่าวิทูมะเพราะเป็นผู้ละความโกรธเพราะเป็นผู้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 ราคาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์นะโทสะเป็นทุกขโมหะเป็นทุกขความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอตลอดจนถึงบาปอกุศลทุกชนิดนี่เรียกว่าเป็นทุกขทุกทั้งหมดคืออกุศลเหล่านั้นที่มันเป็นเหตุแห่งทุกขเนี่ยธาตุหันเนี่ยละแล้วเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานอันธาตุหันจึงเรียกว่าผู้ไม่มีทุกขผู้ไม่มีทุตก็คือผู้ทําลายเหตุแห่งความทุกข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 ก็คือการเกิดขึ้นขั้งแรกในพบต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าชาติส่วนพอเกิดหลังจากเกิดมาก็คือแก่ความชืดเสื่อมความเป็นผู้มีฟันหักผมงอกหนังย่นเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นนแห่งสัตว์นั้นนั้นเรียกว่าชรลาบรรพารหันตะขีนาศพเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้สงบกําจัดกิเลสเพียงดังว่าควันไม่มีความทุกข์ไม่มีความห ว, วัง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 อ่าวในเวลาจบพระคถาธรรมจัจจสุปราศจากทุรีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแกเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีชันทะร่วมกันมีประโยนค่าร่วมกันมีความประสงค์ร่วมกันมีวาสนาอ บ, บรมมาร่วมกันกับท่านพระปุณกะมนบเนี่ยนะกับปุณกะพรามเนี่ย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 ของเราได้ยินได้ฟังคำถามคำตอบของท่านเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นอย่างมากแล้วเนี่ยนะ